ก็จักผูสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยแก่เวทนาอันสัมปยุตกับตนหมายถึงว่าผัสสะในจักผูกจักผูวิญญาณเนี่ยนะผัสสะอ น, นั้นเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เกิดพร้อมกับตนด้วยอํานาจแปดปัจจัยคือหนึ่งสหาชาตะสองอัญญามัญญะสามนิสยาสี่วิปัสสต์ห้าอรหะหกสัมปยุตตะเจ็ดอธิแปดอวิขตปะปัจจัยเนี่ยนะได้แปดปัจจัยอันนั้นก็คือผัสสะกับเวทนานี้เกิดพร้อมกันนั่นเอง ในดวงเดียวกันคือในจกักรวิญญาณแล้วก็จกักรุสัมผัสอันนั้นแหละในจกักรวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เวทนาอันสัมปยุทธ์ ด, ด้วยสัมปติชนะด้วยอนันตราชาติคืออนันตระสมนันตระอนันตรูปนิสยนาณถิและวิคตะวิคตะนะไม่ใช่อ่ะส่วนเป็นปัจจัยแก่จิตหลังจากนั้นคือสันติณะเป็นต้นก็ด้วยอํานาจอุปนิสยปัจจัยอย่างเดียว ก็ใครถ้าเจริญทวารตาได้แล้นะทวารอื่นก็ไม่น่ามีถ้าถ้าหมัน่นพิจารณาได้จนเข้าใจเนี่ยนะอ า, อาศัยจักขู่กับอะไรรูปเนะเกิดจักขู่วิญญาณจักขูวิญญาณอันเนี้ยเรียกเป็นปัจจัยที่สำคัญมากแกจักขู่สัมผัสในดวงเดียวกันนะแล้วภาษาตัวนี้เป็นปัจจัยแก่เวทนา ลูกสอมอันนี้ได้แปดปัจจัยจากครูสัมผัสที่เกิดร่วมกับจากครูวิญญาณเป็นปัจจัยแก่เวทนาในดวงเดียวกันได้แปดปัจจัยวิธีคิดก็เอาแบบชาติใหญ่ก่อนนะสหาชาตานิสยะอธิอวิคตะอันนี้เพราะว่าถ้าพูดอันใดอันหนึ่งนะที่เหลือถ้าก็พูดแล้วอันนี้แน่นอนทีนี้มันเนื่องจากว่ามันสัมปยุทธ์นะก็สัมปยุทธ์อะไรอีก ถ้ามีสัมปยุทธ์นะอันยะนี่แน่นอนนะแล้วจิตดวงนี้ชาติอะไรวิบากนเนี่นะอก็ชาติชาติเล็กนะก็อาหารวิญญาณอา้าผัสสาหารผัสสาหารก็ได้อา่าอ่านี่ไงวิบากาชาติกลางเลยอือเนี่ภผัสสะอันนี้นี่แหละเป็นปัจจัยแก่ถัดมาคื อ, อจิตที่เรียกว่าสัมปติชนะจิตเนี่ยนะด้วยอำนาจหาปัจจัย คืออนันตชาตินะนะอนันตระสมัันตระอะไรอนันตรูปะนัตถิแล้วก็วิคตะอนันตรชาตินะห้าปัจจัยนี่มันขาดแม่ไม่ได้แม้แต่อันเดียวแน่นอนพูดพูดอันใดอันหนึ่งนะที่เหลือท่านก็พูดแล้วมีแต่เพิ่มอย่างเดียวไม่มีลดกว่านี้แล้วอนันตรชาติอนันตรูอย่างเดียวส่วนจิตหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะหลังจากนั้นปไาเนี่ยเช่น สัมตีรณะจากขู่สัมผัสอันเนี้ยเป็นปัจจัยด้วยปัจจัยเดียวคือปะกัตูปะนิสยะปัจจัยในหนึ่งปัจจัยเท่านั้นเองทีนี้บา ง, บางอย่างนะเวทนาทั้งทั้งสามดังเวทนาทั้งที่เป็นสุขทุกข์และอทุกขมาสุขเนี่ยแม้แต่ว่าการเห็นครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวเนี่ยเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์เกิดมากครั้งมากอนะบางคนที่เห็นครั้งเดียวก็พอแล้วใช่ไหมก็ ไปสุขอยู่ตั้งนานบางครั้งนะเห็นแค่ครั้งเดียวก็พอเนี่ยนะทุกข์อยู่ตั้งหลายปีนะได้ยินอย่างเดียวเนี่ยทุกข์อยู่ใจอยู่ตั้งหลายปีไมได้ยินอย่างเดียวดีหลายปีเหอะลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าภาษะอันนี้มีกำลังแรงมากเลยนะเพะว่าอุเบคาเขาบอกว่าเห็นครั้งเดียวแล้วสุขตลอดไปเนี่ยนะเช่นเห็นอะไรไม่รู้บางคนนะนะก็ว่าไปแล้วแต่ใครเห็นอะไรที่ตัวเองประทับใจมากนะ ก็แล้วแต่ใครเห็นอะไรที่ตัวเองนึกเมื่อไหร่แล้วมีความสุขเพราะอาศัยภาษาอนนั้นเป็นปัจจัยแต่บางคนนะโยมบางคนเช่นญาติเสียเนี่ยนะเห็นภาพนั้นมาครั้งเดียวเนี่ยสะเทือนใจอยู่แบบมันแคบตลอดชีวิตเลยนะเช่นไปเห็นภาพลูกประสบอุบัติเหตุหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมาเนี่ยนะไอการเห็นครั้งนั้นแหมจำนวนไทยเรียกว่าติดตาตรึงใจมาตลอดเลยอะ่ะตรึงใจอ่นะตรึงให้โทสะเกิดจริง แล้วก็เห็นบางอย่างก็เฉยๆะนะเป็นที่ตั้งแห่งความเฉยเฉยนึกเมกื่อไหร่ก็เฉยเฉยฉนั้นภาษาเนี่ยที่เกิดจากความประชุมธรรมะสามอย่างเนี่ยสําคัญที่สุดเป็นปัจจัยที่สําคัญทั้งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันอันนี้นี่ยกตัวอย่างเวทนาขันใช่ไหมถ้าพูดเวทนาขันนะสัญญาขันเท่ากับพูดหรือยังสัญญาขันก็เท่ากับแสดงแล้วและสังขารขันก็แสดงแล้วเพราะว่า เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมีภาษาเป็นปัจจัยนะมีภาษาตัวนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญไม่จําเป็นต้องวิถีเดียวกันเท่านั้นนะเพราะว่าเวทนาเหล่านี้บางเวทนาเป็นโลกุตระใช่ไหมเช่นสุขเวทนานเนี่ยเป็นโลกุตระก็ได้อทุคขมสุขเวทนาเป็นโลกุตระก็ได้เพราะฉะนั้นจากผูกสัมผัส เป็นปัจจัยเป็นปัจ ian, ปจัยแก่กุศลก็ได้เป็นปัจจัยแก่วิบากก็ได้เป็นปัจจัยแก่กิริยาก็ได้เป็นปัจจัยเ <c oughs> ขาบอกว่าจากครูสัมผัสยยยาารร alguma, อ, install, อย่างเดียวเนี่ยเนปะ็นปัจจัยแก่กามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลและอปริยปณะอริยาปณธรรมก็คือโลกุตระธรรมนั่นเองสามารถเป็นปัจจัยได้หมดเลยก็การเห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ยนะสังเมาเลยก็มีมีเศรษฐรีคนหนึ่งเมาอยู่เลยงงเงียงงเงียอยู่เห็นพระพุทธเจ้ามาหายเมาเลย ฟังอริยศักดิบรรลุอีกเลยเก่งมากแต่ว่ามีคนเดียวภาษานี้พระผู้มีพระภาคแสดงถึงความเป็นผัสสาหานเหมือนอย่างว่าแม่โคหนังเปอกหนังเปอกกับหนังถลอกกันไหนดีกันหรือว่าถลอกหนังก็สรุปก็เคยเป็นแผลไหมล่ะนั่นแหละเหมือนอย่างว่านะผัดเพิ่งเห็นผัสสะอย่างนั้นเพราะภาษานี้มันอาศัยแผลหกเกิดนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าเป็นแผลในอริยวินัยนี้เพราะฉะนั้นมันอาศัยแผลในในหกแผลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแผลคือตาเนี่ยนะกรรมนักเสกสรรให้แผลคือหูก็กรรมเนี่ยแต่งให้แผลคือจมูกก็กรรมแต่งให้แผลคือลิ้นก็กรรมเนี่ยแต่งให้แผลคือกายนะกายย่าภาษาทาก็กรรมแต่งให้แม้กระทั่งภวังทั้งหลายก็กรรมนั่นแหละแต่งให้ดังนั้นภาษะเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอาศัยทวารหก ในพระพุทธพจน์นิยมใช้คําว่าภาษายตนาหกคือแผลหกเนี่ยนะภาษายตนาหกเพราะเป็นบอ่อเกิดแห่งภาษาหกเนี่ยนะก็ภาษาเหล่านี้นี่สําคัญมากเลยนะว่าผู้ใดรอบรู้ถ้าความประชุมของธรรมสามสามประการเนี่ยนะถ้าจะให้ดีมันต้องคูณการสามด้วยจึงจะสมบูรณ์แต่ไม่ว่าอาศัยจากภูกับรูปเกิดจากภูวิญญาณความประชุมของธรรมสามอย่างเป็นทะภาษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาสาม ตอนนี้เป็นอย่างนี้เมื่อวานก็เป็นอย่างนี้อดีตที่ผ่านมานะก็การเห็นก็ประชุมกันอย่างนี้นี่แหละอน า, าคตต่อไปนะถ้าจะเกิดตายเกิดเกิดตายตายเกิดมันมาอีกสักห้าพันล้านปีข้างหน้าก็เพื่อที่จะประชุมเนี่ยนะจักขู่กับรูปเกิดจักขูวิญญาณจะไปที่ไหนก็ไปให้จกักขู่รูปจกักขูวิญญาณมันประชุมกันเลยนะฉะนั้นพวนี้ก็ไปสแสวงหาที่ประชุมตลอดเลยสังขารธรรมเนี่ยมันเกิดจากความประชุมกันขึ้น แล้วใครล่ะมันเป็นใครไหมเป็นของใครไหมสาธุขอใจริงเถอะขอให้เห็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเห็นจริงๆก็อนุมโมทนาด้วยถ้าเห็นไม่จริงอะ่ะก็พยายามให้จริงอ่าควรภาคเพียนพยายามให้เห็นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนะี่ยะทีนี้มาดูทวารหูบ้างนะว่า ธรรมชาติใดย่อมได้ยินฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าโสตะโสตะนั้นยังความเป็นวัตถุวัตถุแห่งอะไรวัตถุแห่งโสตะวิญญาณและทวารแห่งโสตะทวารวิถีเป็นวัตถุแห่งโสตะวิญญาณเป็นทวารแห่งโสตะวิถีเนี่ยนะมีโสตะวิญญาณจิตเป็นต้นให้สําเร็จตั้งอยู่ณตําตแหน่งที่มีสัมผานดังวงแหวน มีขนอ่อนสีน้ำตาลพอกพูนอยู่ภายในช่องแห่งสะสัมภารโสตะก็ถ้าใครที่ดูหนังสือทางการแพทย์เนี่ยนะก็จะไม่แปลกใจว่าในในหูเนี่ย ท, ที่ที่มันเหมือนก้นหอยโข่งนะเหมือนหอยโข่งในนะั้นน่ะมันข้างในนั้นมันจะมีขนขนขนสีอย่างที่ในคัมภีร์ท่านกล่าวเนี่ยแล้วก็มันมีน้ําอยู่ในนั้นเลยพอได้กระทบเสียงปั๊บเนี่ยถ้าขนมันขยับมันจึงจะเกิดการได้ยินเสียงขึ้น เพราะฉะนั้นเราที่ทั้งหลายที่ได้ยินเสียงกันอยู่เนี่ยเนื่องจากขนข้างในหูเนี่ยมันขยับตัวมันเป็นเป็นไม่ใช่ขนแบบนี้มันเรียกว่าเซลล์ขนเนี่ยนะเป็นเซลล์ขนที่อาศัยกระดูกคอนกับกระดูกข้างมันทุบกันเลยนะมันกระเทือนไปถึงขนอันนั้นขนอันนั้นมันกระเทือนมันก็เลยได้ยินเสียงโสตะภาษาทะตัวนั้นนะเป็นที่ตั้งแห่งโสตะวิญญาณทาให้ได้ยินเสียงขึ้นเพราบอกเอกเป็นอวัยวะจิ๋วแต่ใช้งานค่อนข้างมากนะ อเขาบอกว่ากระดูกที่เล็กที่สุดเนะี่ยกระดูกพวกนั้นนะกระดูกในในช่องหูเนี่ยเล็กมากกว่าเพื่อนนิดเดียวอแต่ใช้งานอยู่นานมากเลยใช้งานกันได้คนละหลายหลายสิบปีเนี่ยนะิดเดียวจริงๆถ้าถ้าดูจากข้างในมองเข้าไปเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนช่องวงแหวนแต่ถ้าผ่าเสกมันก็เหมือนกับหอยโข่งนะก็แล้วแต่จะดูสมัยใหม่เขาก็เก่งนะเขาเอาภาพพวกนี้มาทําวิจัยมาทําให้เห็นภาพทา่าย แล้วก็มีสถาบันแห่งหนึ่งนะเขาจะทดลองโดยการให้ลิงเนี่ยฟังเพลงร็อกเปิดดังที่สุดนอนมากเลยนะแล้วฆ่าให้ตายเพื่อจะได้มาดูไอ้ขนหูมันเป็นยังไงบอกขนเซลล์ตัวนั้นมันล้มละเนระนาดหมดนั้นขนหูเสียก็คือพวกเซลล์ขนเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพหรือว่ามันล้มลงไปเนี่ยนะมันมันไม่ไม่พัดโบกเพื่อรับเสียงอีกต่อไปมันก็เลยหูเสีย ใครที่มีหูใช้งานมาได้ถึงทุกวันนี้ก็นับว่ามีบุญมากอ่ะนะที่ได้ใช้งานนะคนนี้เดียวจริงๆอ่ะเซลล์ขนตัวนี้ส่วนธรรมชาติได้ย่อมเปล่งออกฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเสียงสัทธาเนี่ยนะเปล่งแป ล, ง, ปลงออกไปจริงๆเลยนะถ้าเป็นเสียงมีจิตเป็นสมุทฐานก็เป็นการเปล่งขึ้นดังขึ้นอาศัยหูกับเสียงก็เกิดโสตะวิญญาณสามอย่างประชุมกันนี่เป็นภาษาภาษาเป็นปจัจจัยจึงเกิดเวทนา อย่าคิดว่างธรรมดานะการได้ยินเสียงแต่ละคำแต่ละคำหรือแต่ละอย่างที่เราไปรับกระทบมานะเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจเป็นอย่างมากเลยนี่การได้ยินครั้งนั้นน่ะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเป็นอย่างมากแต่ละอย่างแต่ละภาษาแต่ละภาษาที่รับกระทบเนี่ยอย่างวันหนึ่งได้ยินเสียงมากๆทั้งเสียงฝ่ายดีบ้างฝ่ายไม่ดีบ้างเสียงเป็นเพื้อกลูลต่อกุศลบ้างอากุศลบ้างอย่าดูถูกว่าเสียงเหล่านี้ธรรมดานะี หรือความประชุมของแต่ละคณะแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่หูได้ยินเสียงเนี่ยอย่าว่าเขาไม่ยิ่งใหญ่นะจะพ้นทุกข์ก็เนื่องจากรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้นะวัตตจะยาวก็เพราะไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้นั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าหูควรรู้ยิ่งเสียงควรรู้ยิ่งหูนี่ควรรู้ยิ่งว่ามีอะไรเป็นสมุทฐานมีตัวโสตประสาทามีมหาพูดเป็นเหตุใกล้มีกรรมเป็นสมุทฐานมีสัทว์ธาตันหาเป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้ ก็รับกับเสียงเสียงมีกี่สมุธฐานใหญ่ๆเลยนี่สองสมุธฐานแต่เสียงที่มีอุตุเป็นสมุธฐานเนี่ยเสียงฟ้าผ่าก็อย่างหนึ่งเสียงรถก็อย่างหนึ่งอันนั้นก็โอ้หลากหลายมากในโลกของอุตุเนี่ยนะในกระทั่งเสียงเพลงเสียงดนตรีทั้งหลายก็พวกนี้อุตุเป็นสมุธฐานทั้งนั้นแต่ว่าอุตุอันนั้นมีอะไรเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้อีกครั้งหนึ่งนะอุตุที่มีจิตเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างเช่นเสียงบิดมอเตอร์ไซค์แรงๆเนี่ยนะก็อุตุใช่ไหมตัวเสียงน่นนะ แอบว่าไอ้อุปนิสัยตัวที่สำคัญให้ให้เสียงนั้นดังขึ้นอะไรก็จิตไปอีกครั้งหนึ่งจิตเรานั้นมีอะไรเป็นปัจจัยอีกก็นามรูปมีนามรูปเป็นปัจจัยก็อมถึงอารมณ์ด้วยอมั้งทวารด้วยอมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยถ้ามันวิเคราะห์มันพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะจะรู้ว่าเรานี่เหมือนกับเล่นหลอกลวงชัดๆเลยนะของนี้เดียวเนี่ยนะ โอ้ยเป็นจริงเป็นจังไปหมดเลยนะไปทุกไปร้อนไปหัวเราะไปร้องให้กับสิ่งเหล่านั้นนะถ้าวิเคราะห์ในแง่นี้นะมันก็เป็นบ้าจริงๆในสายตาของพระอริยะเนี่ย น, นะก็แต่เราก็สบายอยู่ได้ทนได้เสมอเนี่ยจำต้องอดทนหน้าดูเลยใะวัฏฏะเนี่ย น, นะต่อไปธรรมชาติใด ย, ย่อมเปล่งออกฉะนั้นธรรมชาติเออขอพันธรรมชาติใด ย, ย่อมสูดดมฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าคาระคือจมูก านะนั้นยังความเป็นวัตถุและทวารตามสมควรแก่จิตในวิถีมีานะวิญญาณเป็นต้นให้สําเร็จตั้งอยู่ณนะตําแหน่งที่มีสันฐานดังกีดแพะภายในช่องแห่งสะสัมภาระขณะเนี่ยนะถ้ามองภาพตรงออกไปเนี่ยนะคือคือการมองเนี่ยมันมีหลายหลายตำแหน่งการมุมมองแต่ถ้ามองแบบตรงเข้าไปเนี่ยมันจะมีหลืบเข้าไปเนี่ยเหมือนกับกีดแพะจริงๆนะแล้วว่ามันช่องว่างตรงนั้นมันก็จะมีกระเพาะรับกลิ่นอยู่ ก็ตั้งอยู่นะถ้ามองลึกเข้าไปอย่างนี้เหมือนกีดแพลเราถามผู้การว่ามองอยังไงจริงๆมองได้ลึกซึ้งอย่างนั้นน <c oughs> ั่นนะอ่าพวกนี้ห้าสิบสี่รูปหมดโสตาก็ห้าสิบสี่รูปโสตสสามภาระนะคานาสสามภาระก็ห้าสิบสี่รูปคานะนั้นเป็นวัตถุ ข, ของคานาวิญญาณเป็นทวารของคานะทะวารวิถี ธรรมชาติใดย่อมฟุ้งไปฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าคันทะคือกลิ่นอธิบายว่าย่อมประกาศซึ่งที่อยู่ของตนตัวกลิ่นนะก็เมื่อไม่นานเนี่ยเขามีไอ้ดอกกลิ่นเหม็นดอกศพเนี่ยนะห้ยมันเหม็นจริงๆไงดอกตนะั้นใหญ่ท้งมากแต่ที่กุติเนี่ยเคยมีดอกบุกดอกบุกตระกูลเดียวกันเนี่ยดอกชนิดนี้อูยเหม็นสุดยอดเลยอนะ่ะ ไม่รู้เมนเหมือ น, น, น, นอย่างก็ว่าใครเอาส้วมไปเทไว้แถวนั้นนะ่ะเหมนขนาดนั้นเลยต้องให้โยมเขาบอกโยมดูดอกอันนี้หน่อยดิ <c oughs> <c oughs> เคลื่อนย้ายไปไว้ไกลๆหน่อยเมนมากเลยน ะ, อะดอกบุก อ, อ่ะอ่ะเลยนะไม่ใช่อุตพิษศก็เหมนแต่อุตพิษมันเล็กเกินไปอุตพิษไม่ไม่ใหญ่ดอกอันนี้นี่หูเลยนะอุตพิษศใหญ่เท่าไหรอู้นิดเดียวอันนี้มัน นี่นี่ดอกบุกเนี่ยผ่าศูนย์กลางเนี่ยเป็นเป็นศอกอ่ะแต่อันนี้เล็กมันมีดอกเมนนอ่ะนะที่อเมริกาเนี่ยซึ่งไม่ไม่นานมาเนี่ยมันมีดอกเมนที่ที่อเมริกาเนี่ยสูงท่วมหัวฝรั่งอ่ะดอกเนี่ยนะสูงท่วมหัวฝรั่งรัอผ่าผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยโอ้หลายเม็ดแต่เนะ่ดอกสูงมากเลยนะแต่ว่าโหใครไปยืนอยู่ใกล้ๆได้เนี่ยขอมาชมในความขันตีเขาอ่ะนะ เหมือนกับว่าไปอยู่ไปยืนอยู่ใกล้ๆศพอ่ะใกล้ๆศพเน่าอ่ะนะมันเหม็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะมันไม่ได้เหม็นเล่นๆหรอกแมลงวันเนี่ยนะอยู่ในนั้นมากท่ายงก็ไปตัดให้บอกยอมเอาเอาเนี่ยดอกอันนี้ออกไปหน่อยมันเหม็นจังเลยเขาก็มาเคลียร์เคียก็บอกในนี่มีแมลงนะเนี่ยถ้าแถวบ้านผมนี่เสร็จเอาไปคั่วหมดเท่านั้นเลยไปขนาดนั้นต่ออีกจนได้นะก็กินกันหลายทอดแล้วเือ แต่ว่ามันประกาศที่อยู่ของมันจริงๆนะถ้ากลิ่นมันโชยมาจากไหนใช่ไหมมันเหมือนกับมันประกาศว่าต้นชต้นต้นตอของฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเหมือนประกาศที่อยู่ของตนเลยถ้าถ้าเหมือนอะไรนะบางคนนี่จมูกดีใช่หมก็เนี่ยนี่มันนี่หนูตายนะเขาว่างั้นฝุดฟิดหาไปหามาหาจนเจอจนได้บางคนนี่จมูกดีจริงๆเลยไม่รู้ทำมาด้วยอะไรมานะมีดเดียวนี่เขารู้ละอะไรเป็นอะไร นนมีกลิ่นอะไรบ้างอยู่แถวนั้นเนี่ยนะ้าที่จนหาตำแหน่งจนเจอได้อะ่ะก็ก็มีสัตว์บางประเภทใช่ไหมชนานาญมากในเรื่องกลิ่น <c oughs> กําหนดจดจําแม่นยํามากเลยนะถ้าอย่างปลาเนี่ยพวกปลากินเนื้อเป็นกินเนี่ยนะอย่างที่รัปลาฉลามนี่ก็อาศัยกลิ่นนะั่เป็นหลักโอ้โหเป็นหลายๆกิโลเมตรเนี่ยถ้าใครเลือดออกหน่อยเดียวเนี่ยมันได้กลิ่นละมันไวมากเลยนะ อย่างสุนัขนี้ก็เก่งเหมือนกันในเรื่องรู้กลิ่นเนี่ยสุนัขนี้ก็เก่งแต่ก็อันนี้ชมว่ามันมีความสามารถเกินอย่างอื่นนะแต่ไม่ได้ชมในลักษณะว่าควรจะเป็นไม่ใช่มันประกาศที่อยู่นะกลิ่นทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าประกาศที่อยู่ของต น, อนนี่ชัดเจนที่สุดแหละถ้ค้นไปก็จะเจอเองแหละที่มาของกลิ่นทั้งหลายแต่ว่ากลิ่นนั้นถ้าว่าไปก็คือกลิ่นของมหาพูดนนะคนไปก็เจอมหาพูดนั่นแหละ